พอจะมารูกก็ประมาณเที่ยงเที่ย ง, งบ่ายแล้วเปิดประตูรถนะก็ไปเจอเด็กเข้านะเด็กก็แน่นิ่งไปแล้วขาดอากาศหายใจนะเรื่องแบบนี้ก็ปีที่แล้วก็มีข่าวนะรถโรงเรียนเหมือนกันนะที่สมุดปราการมารับเด็กแล้วก็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 มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนขับรถโรงเรียนนะบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เองก็ก็เผลอมันกันนะแม่นี่ก็พาลูกนะใส่อ่นั่งเบาะหลังส่วนตัวเองก็ไปห้างสรรพสินค้าวันนั้นมันเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ปกติก็มี คนพี่เลี้ยงดูแลแต่สาวที่นี้ตัวเองก็ดูแลลูกเองลูกตัวเองไปซื้อของก็ต้องพาลูกไปด้วยแม่นี่พอไปถึงห้างสรรพสินค้าเป็นที่จอดรถแบบบิ๊กซีนั่นนะ่ะนะเป็นที่จอดรถลานกว้าง ก, างก็จอดรถแล้วก็ก็ลงไปใจเนี่ยคิดแต่เรื่องว่าจะซื้ออะไรเพราะว่ามีงานเลี้ยงที่บ้าน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 ชาติมันไปกระทืบคนตายอันนั้นเนี่ยเป็นไปได้เป็นเหตุให้คนตายโดยประมาทโดยเลิศเลิศนะแต่ว่าน้อยมากนะสมัยสมัยในสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้นี่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะไอการที่ทําให้คนอื่นตายโดยประมาทถ้าหลายคนนี่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วนี่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 แค่ไม่ประมาทให้เป็นให้คนอื่นตายนี่ก็ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้หรือรอดพ้นได้นี่ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งทีเดียวเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีเป็นข่าวอยู่บ่อยๆฉั้นตั้งใจนะมีสติให้ดีนะ เ, เลิศเล อ, เ, ลอเพล เ, เพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีนี่ก็